เจริญพรท่านสาธุชนพุทธบอยศสัตว์ผู้มีจิตศรัทธามีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันพุทธที่สิบสองสิงหาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าิบสองเป็นสเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่ง สำหรับปวงชนชาวไทยทั้งหลายเนื่องจากเป็นวันแม่แห่งชาติเป็นวันที่ทางราชการได้ให้ความสำคัญต่อมารดาผู้ให้กำเนิดแก่ลูกๆทั้งหลายจึงให้มีวันหยุดเพื่อจะได้มาประกอบมาบำเพ็ญ บุญกุศลเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตวเวธิตาต่อผู้มีพระคุณคือคุณแม่ของพวกเราทั้งหลายรวมไปถึงคุณพ่อด้วยเพราะพระคุณของคุณแม่และของคุณพ่อร่วมกันสามารถ ทำให้เรามีตัวเราขึ้นมาได้ถ้าไม่มีคุณพ่อไม่มีคุณแม่เราจะไม่มีโอกาสได้มาเกิดเป็นมนุษย์อย่างที่เราเป็นกันอยู่ทุกวันนี้ได้เราจะทำอะไรต่างๆอย่างที่เราทำกันอยู่นี้ก็จะทำไม่ได้ถ้าไม่ได้มาเกิดดังนั้น พระคุณของคุณพ่อและคุณแม่จึงใหญ่ยิ่งยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทรที่จะกว้างใหญ่ไพศาลขนาดไหนก็ยังไม่ยิ่งใหญ่เท่ากับพระคุณของคุณแม่และคุณพ่อผู้บังเกิดเกล้าของพวกเราทั้งหลายพระพุทธเจ้าทรงเปรียบเทียบพระคุณของคุณพ่อคุณแม่เท่ากับ ก็ uh, คุณของพระอหรหันต์ถ้าเราได้ทำบุญกับคุณพอ่อคุณแม่ <c oughs> ก็เท่ากับเราได้ทำบุญกับพระอหรหันต์ดังนั้นถ้าเราอยากจะทำบุญกับพระอหรหันต์เราไม่ต้องไปาหาพระอรหันต์ที่ไหนทำกับพระอหรหันต์ที่บ้านของเราก่อนเมื่อเราได้ทำบุญกับพระอหรหันต์ที่บ้านเราแล้ว แล้วอยากจะไปทำบุญกับพระอาหารหันต์รูปอื่นต่อไปก็ไม่เป็นปัญหาอย่างไรแต่ไม่ควรมองข้ามพระอาหารหันต์ที่บ้านของเราไปก่อนถ้าท่านไม่ได้รับการดูแลเลี้ยงดูหรือไม่ได้รับการเคารพจากพวกเราก็แสดงว่าพวกเรากําลังทอดทิ้งท่านเรากําลังไม่ได้ ทำบุญกับพระอาหารหันต์ที่บ้านของเราต่อให้เราได้ไปพบกับพระอาหารหันต์ที่ไหนตีรูปก็ตานทุกรูปท่านก็นจะสอนให้เรากลับไปทำบุญกับพระอาหารหันต์ที่บ้านของเราก่อนเพราะความกตัญญูกตเวทีนี้เป็นคุณธรรมสำคัญของผู้ที่ปรารถนา ความเจริญก้าวหน้าทางชีวิตจิตใจพระพุทธเจ้าถึงแม้จะไม่มีพระมารดาคอยเลี้ยงดูมีแต่ให้กำเนิดหลังจากเจ็ดวันไปแล้วก็ทรงเสด็จสอนรคตไปแต่หลังจากที่พระองค์ได้ตัดสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ได้เป็นพระอาหารหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพระองค์ก็ส่งหาพระมารดาที่ไปจุติอยู่ในสวรรค์และเมื่อส่งพบแล้วก็ได้ทรงสั่งสอนพระธรรมที่พระองค์ได้ทรงตัดสรูโยนพระมารดาพระพุทธมารดา ได้บรรลุโสดาปฏิพัได้บรรลุเป็นพระโสดาบันได้เข้าสู่กระแสของพระนิพพานเป็นบุคคลเป็นอริยบุคคลอันดับแรกในบรรดาพระอริยบุคคลทั้งสี่อันดับด้วยกันอนิสงค์ของการได้บรรลุเป็นพระโสดาบันก็คือหนึ่ง จะไม่ต้องไปเกิดในอบายอีกต่อไปถึงแม้จะได้ทำบาปทากรรมมามากน้อยเพียงไรในอดีตชาติแต่ความเป็นพระอาริยบุคคลคือพระโสดาบันนี้สามารถยับยัง้งดวงจิต ด, ดวงใจไม่ให้ถูกกระแสของวิบา ก, กรรมส่งไปเกิดในอบายอีกต่อไป คือไม่ต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตไปตกนรกถึงแม้จะเคยทำบาปทำกรรมมามากน้อยเพียงไรก็ตามพอได้บรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วก็จะตัดเรื่องของอาบายไปได้โดยสิ้นเชิงพระองค์ทรงตรัสว่าการทดแทนพรกคุณของบิดาหรือมารดานั้นต่อให้เราเลี้ยงดูท่านอย่างดี แบกท่านไว้บนบาบนไหลของเราให้ท่านปัสสาวะอุจจาระลาดใส่ตัวเรา mm hmm. ก็ยังไม่สามารถทดแทนบุญคุณของท่านได้ mm hmm. มีทางเดียวถ้าอยากจะทดแทนบุญคุณให้ได้ครบถ้วน mm hmm. ก็ต้องสอนให้ท่านได้บรรลุเป็นพระโสดาบัน mm hmm. หรือถ้าอย่างน้อยถ้าเราไม่สามารถ สอนท่านให้เป็นพระโสดาบันได้ถ้าเรามีโอกาสก็พาท่านไปหาพระที่มีความสามารถที่จะสอนให้ท่านได้บรรลุเป็นพระโสดาบันได้หรือหาหนังสือธรรมะหาเทศนาต่างๆของพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งหลายไปให้ท่านได้อ่านได้ฟังเมื่อท่านได้อ่านได้ฟังแล้วถ้าท่านมีบุญเดิมอยู่ มีบุญบารมีเก่าอยู่ก็จะสามารถรับคำสอนได้และอาจจะปฏิบัติจนมรรลุเป็นพระโสดาบันขึ้นมาได้ถ้าเราทำอย่างนี้ได้ก็เท่ากับว่าเราได้ทดแทนบุญคุณของท่านแล้วช่วยให้ท่านได้พ้นจากอบายและภพชาติที่จะต้องเกิดใน พบของมนุษย์นี้ก็มีเป็นเจชาติเป็นอย่างมากถ้าไม่ได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ในชาติก่อนๆคือในชาติที่หนึ่งนี้หรือชาติที่สองหรือที่สก็จะไปบรรลุในชาติที่เจเพราะเมื่อได้รับกระแสของพระธรรมคำสอนแล้วได้มีแสงสว่างแห่งธรรมเข้าไปอยู่ในใจแล้ว ก็เป็นเหมือนกับไฟที่ติดเชือ้อจะไหม้เร็วนรือไหม้ช้าทั้งนั้นเองแต่จะไหม้เชื้อให้หมดไปในที่สุดไม่มีอะไรจะมายับยัง้งเชื้อแห่งพระธรรมที่จะทำลายกิเลสทันหาต่างๆที่มีอยู่ในใจของสัตว์โลกของผู้ปฏิบัติให้หมดไปได้จะต้องหมดไปในที่สุด ไม่เกินเจ็ดชาติเป็นอย่างมากนี่คือการทดแทนบุญคุณของผู้มีพวกคุณคือบิดามารดาของพวกเราอย่างเต็มที่เป็นอย่างนี้ถ้าเรายังไม่สามารถทำได้ก็ขอให้เราทำตัวของเราให้เป็นคนดีให้ท่านไม่ต้องมากังวลมาทุกข์กับการประพฤติที่ไม่ดีไม่งามของเรา ให้เรามีความเคารพนับถือยกย่องเทิดทูนท่านไว้เหนือสียงกล้าวของพวกเราให้เรามีความเชื่อฟังในโอวาทของท่านไม่ว่าท่านจะพูดอย่างไรจะดีหรือไม่ดีอย่างไรเราไม่ควรที่จะไปโต้แยง้งควรจะยกมือฟังเหมือนกับเราฟังพระธรร ม, มเทศนาของพระนั่นแหละ เพราะท่านก็เปลี่ยนเป็นเหมือนพระอาหารหันต์ของพวกเราเวลาท่านพูดท่านสอนเราก็เหมือนพระอาหารหันต์กำลังสอนเราแต่การจะนาเราไปปฏิบัติได้มากน้อยเพียงไรหรือไม่ปฏิบัตินั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งถ้าหากว่าสิ่งที่ท่านสอนนั้นไม่ถูกต้องตามหลักศีลธรรมความดีงามเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้อง นําไปปฏิบัติแต่อย่างใดแต่เราอย่าไปสอนท่านในเวลาที่ท่านกนําลังสอนเราขอให้เราฟังไว้ก่อนแล้วถ้ามีโอกาสดีถ้าท่านถามเราว่าอะไรดีอะไรชั่วเราค่อยบอกท่านถ้าท่านไม่ถามถ้าไม่เปิดโอกาสให้เราสอนเราก็ต้องไม่สอนท่าน ถึงแม้ว่าเราจะมีความปรารถนาดีอย่างแรงกล้าที่จะสอนให้ท่านเห็นผิดเห็นถูกแต่ในฐานะของลูกนี้ไม่เหมาะสมที่จะกระทำอย่างนั้นต้องปล่อยให้เป็นไปตามบุญตามกรรมของท่านหรือไม่เช่นนั้นก็หาอุบายสอนท่านอย่างไม่ตรงไปไม่อย่า ง, างไม่ตรงตรง คือสอนแบบทางอ้อมมีหนังสือธรรมะเกือเอาไปวางไว้ที่บ้านเผื่อท่านอยากจะอ่านท่านอ่านแล้วท่านก็จะเข้าอกเข้าใจจะรู้เองแต่การที่ลูกไปสั่งสอนพ่อแม่นี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรอย่างยิ่ง <c oughs> เช่นเดียวกับการสั่งสอนผู้หลักผู้ใหญ่หรือครูบาอาจารย์ท่านเป็นผู้มีความรู้มากกว่าเรา <c oughs> นอกจากว่าเราเป็นบุคคลพิเศษเช่นพระพุทธเจ้าที่มีความรู้ความสามารถมากกว่าบิดามารดาแต่พระพุทธเจ้าก็จะไม่ไปสั่งสอนพระบิะบดาโดยที่ท่านไม่ได้ถามเสียก่อนโดยที่ท่านไม่ได้นิมนต์ก่อนพระพุทธเจ้าตอนที่ตัดสรูแล้วก็ไม่ได้มุ่งไปที่พระราชวัง เพื่อจะไปสั่งสอนพระราชบิดาแต่อย่างใดแต่พระราชบิดานี้เองที่ได้ทรงนิมนต์ให้ท่านได้ไปโปรดและไปเยี่ยมท่านถึงได้ไปโปรดและไปเยี่ยมและได้ไปสั่งไปสอนจนถึงวาระสุดท้ายเจ็ดวันก่อนที่พระราชบิดาจะเสด็จสวรรคต ก็ทรงบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้บรรลุถึงพระนิพพานในชาตินี้เลยนี่คือการทดแทนบุญคุณของพ่อพระพุทธเจ้าพระ อ, องค์ไม่ทรงเห็นความสำคัญในเรื่องเงินทองในเรื่องเข้าของต่างๆว่าเป็นสิ่งที่เหมาะต่อการ ทดแทนบุญคุณสิ่งที่เหมาะสมที่สุดก็คือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะเป็นเหมือนแสงสว่างที่จะนำพาชีวิตให้ได้ไปสู่ที่สุดที่ดีที่ชอบที่ปราศจากความทุกข์ต่างๆพวกเราถ้าอยากจะทดแทนบุญคุณของบิดามารดา ก็ทําอย่างที่ได้พูดเอาไว้คือถ้าไม่สามารถสอนท่านโดยตรงก็หาหนังสือหาธรรมะที่ดีให้ท่านได้ยินได้อ่านหรือพาท่านไปกราบพระไปทําบุญตามวัดต่างๆที่ห ม, มีการเทศนาว่ากล่าวคําสอนของพระพุทธเจ้าหรือถ้าเราไม่สามารถทําได้ทําอย่างอื่นก็ทําไป เช่นทำตัวเราให้เป็นคนดีอย่างวันนี้เราก็มาทำตัวเราให้เป็นคนดีเรามาทำบุญให้ทานมารักษาศีลมาประพฤติมาปฏิบัติธรรมอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการกระทำความดีถ้าพ่อแม่รู้ก็จะอนุโมทนาดีใจที่ลูกเป็นคนดีเป็นคนมีบุญเป็นคนมีใจที่เป็นบุญเป็นกุศล พราะไม่มีอะไรที่พ่อแม่ปรารถนามากกว่าความสุขความเจริญของลูกๆที่ต้องทุกขทรมารเหนื่อยยากมาตลอดเวลาก็เพื่อความสุขและความเจริญของลูกๆนั่นเองลูกๆทั้งหลายจึงไม่ควรลืมพระคุณอันประเสริฐของคุณพ่อคุณแม่นี้อย่างน้อยที่สุดวันหนึ่งก็ควรจะนลิกละลิกถึงบุญคุณของคุณพ่อคุณแม่ สักสองครั้งก็ยังดีคือตอนเช้าตอนที่เรากราบพระแล้วก็ให้กราบพ่อกราบแม่ด้วยถึงแม่พ่อแม่จะไม่อยู่กับเราก็ไม่สำคัญเพราะการกราบนี้ไม่ได้กราบเพื่อให้เพว่อวดให้ท่านรู้ว่าเรากราบท่านแต่เป็นการกราบเพื่อเราเลึกถึงพระคุณอันประเสริฐของท่านถ้าเราไม่ได้กราบเลยเราก็จะลืมได้ พเราเมัวอแต่ยุ่งกับการทำมาหากินยุ่งกับการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เราต้องเผชิญในแต่ละวันจนทำให้เราลืมพ่อลืมแม่ไปไม่มีเวลาให้พ่อให้แม่เลยแต่ถ้าเราคอยกราบเช้ากราบเย็ยนอยู่ประจำแล้วเราก็จะคิดถึงท่านอยู่เรื่อยๆและเราก็จะหาเวลา ไปเยี่ยมไปดูแลท่านมีอะไรก็นำเอาไปฝากมีข้าวมีของอะไรที่ท่านชอบใช้ชอบรับประทานก็หาไปฝากท่านไปดูแลท่านถ้าอย่างน้อยถ้าไม่สามารถไปได้ด้วยตัวเองก็โทรสัพ์ไปก็อย่างดีไปคุยกันสักหนาทีสินาทีให้รู้ถึงสารถุกสุขดิบ ข, ของกันและกันให้รู้ถึงความ ปราถนาดีต่อกันและกันอย่างนี้ก็เป็นการทดแทนพระคุณของท่านได้ในอีกแบบหนึ่งถ้าท่านเป็นบุคคลที่ล่วงลับไปแล้วก็มีวิธีอีกวิธีหนึ่งก็คือทาบุญอุทิศ ส, ส่วนบุญส่วนกุศลไปให้กับท่านถ้าท่านยังรอรับส่วนบุญส่วนกุศลนี้อยู่ก็จะสามารถ รับได้ถ้าท่านอยู่ในฐานะที่ดีกว่าท่านก็ไม่ต้องรับส่วนบุญส่วนนี้บุญส่วนนี้ก็ไม่หายไปไหนก็ยังเป็นของเราอยู่นะเช่นพระพุทธเจ้าที่ไม่มีพระมารดาแล้วพระองค์ก็ท่งเล่งยานไปหาดูว่าอยู่ที่ไหนเมื่อพบแล้วก็สนทนาปราศัย และแสดงธรรมให้แก่ท่านเราไม่มียานที่จะส่งไปหาพ่อแม่ของเราที่ล่วงลับไปแล้วเราก็ส่งกระแสบุญที่เราได้ทำกันในวันนี้ไปให้แก่ท่านก็เป็นการทดแทนพระคุณของท่านอีกอย่างนี่เป็นการลำลิกถึงพระคุณอันใหญ่หลวง ของคุณพ่อของคุ ณ, แ, คณแม่เป็นการแสดงความกตัญญูกะตะเวทีที่เป็นพื้นฐานของคนดีของความดีทั้งหลายเวลาเราจะดูคนดีเราไม่ต้องดูอะไรมากดูที่ว่าเขามีความกตัญญูกะตะเวทีต่อผู้บังเกิดเกล้าหรือไม่ถ้าเขาเป็นคนที่ไม่มีความกตัญญู เราก็รู้ว่าเป็นบุคคลที่ไม่น่าพบค้าสมาคมด้วยเพราะขนาดพ่อแม่ผู้มีพระคุณอย่างใหญ่หลวงยังไม่มีความสำนึกในบุญคุณเลยแล้วเราเขาจะมีความสำนึกในบุญคุณของเราได้อย่างไรทำอะไรให้เขามากน้อยเพียงไรก็ไม่มีโอกาสที่เขาจะทดแทนบุญคุณให้กับเรา อย่างจริงใจถ้าเขาจะทดแทนก็ทดแทนแบบจำใจหรือจำเป็นทำไปเพื่อไม่ให้เสียมารยาเท่านั้นแต่ถ้าเราเกิดตกทุกข์ได้ยากและเขาไม่สามารถตักตวงประโยชน์อะไรจากเราได้แล้วก็อย่าไปหวังเลยว่าเขาจะมาดูแลหรือช่วยเหลือเราใจใดการคบค้าสมาคมกันนั้นส่วนหนึ่ง ก็เพื่อที่จะช่วยเหลือกันในยามตกทุกข์ได้ยากนี้เพียงแต่ว่าเราไปหวังไม่ได้เราไปคาดไม่ได้แต่ถ้าเราได้คบค้าสมาคมได้ช่วยเหลือคนที่มีความกระตันยูกรตวเวทีแล้วโอกาสที่เขาจะดูแลทดแทนบุญคลเหล่านี้มีมากมากกว่าคนที่ไม่มีความกตันยูกรตวเวที ดังนั้นคนที่เป็นมีความกระตันยูกตเวทีจึงเป็นคนที่มีเพื่อนมากมีเพื่อนมีคนที่คอยสนับสนุนให้ชีวิตของเขาเจริญก้าวหน้ามากขึ้นไปกว่าคนที่ไม่มีความกระตันยูกระตเวทีดังนั้นถ้าเรายังเป็นมนุษย์ที่ยังต้องอยู่ในสังคมที่ยังต้องพึ่งพาอาศัยกันและกันอยู่ก็ขอให้เราอย่าลืมเรื่องความกระตันยู ทั้งกับบิดามารดาของเราและผู้ที่มีพระคุณทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นครูบาอาจารย์ญาติสนิทมิตสหาย mm hmm. เพื่อนฝูงหรือแม้แต่ผู้ที่อ่อนกว่าเราก็ตามถ้าเขามีพระคุณกับเราเราก็ควรที่จะลำลึกไว้เสมอและเมื่อมีโอกาสดีที่พอจะทดแทนบุญคุณได้ ก็ควรที่จะทำกันเพราะเป็นบุญเป็นกุศลการที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่นทำให้จิตใจของเราสูงขึ้นสะอาดขึ้นมีความสุขมากขึ้นมีความอิ่มความพอมากขึ้นทำให้เราสามารถยกระดับจิตของเราให้สูงขึ้นคือให้เราสามารถรักษาศีลได้ง่ายขึ้นกว่าการที่เรา ไม่ได้ช่วยเหลือผู้อื่นไม่ได้ทดแทนบุญคุณแก่ผู้อื่นเพราะถ้าเราไม่ได้ช่วยเหลือไม่ได้ทดแทนบุญคนก็เท่ากับว่าเรามีความเห็นแก่ตัวมากมากนั่นเองเมื่อมีความเห็นแก่ตัวแล้วการที่จะรักษาศีลก็จะรู้สึกยากกว่าคนที่มีความเสียสละมีความยินดีช่วยเหลือผู้อื่นเพราะ จิตใจมีความปรารถนาดีมีความเมตตานั่นเองดังนั้นก็ขอให้เราพยายามปลูกฝังความกตัญญูกตวเวทีนี้ไว้อย่างสม่ำเสมอทุกวันควรจะระลึกถึงพระคุณของผู้ที่มีพระคุณทั้งหลายและเมื่อมีโอกาสก็ขอให้ทดแทนพระคุณไปเรื่อยๆ แล้วจิตใจของเราจะสูงขึ้นจะมีความสุขมากขึ้นจะมีเพื่อนฝูงมากขึ้นเวลาตกทุกข์ได้ยากก็จะมีเพื่อนฝูงมาคอยดูแลมาคอยช่วยเหลือเราเราจะอยู่ในโลกนี้อย่างมีความสุขจะไม่ปราศจากมิตรสหาหจะไม่เป็นคนเร่ร่อนเป็นคนว้าเวยแต่อย่างใด แต่เราต้องกล้าเสียสละเราต้องกล้าเป็นคนที่จะรับใช้ช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่คิดถึงผลตอบแทนแต่อย่างใดขอให้คิดว่าเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลหรือเป็นการทดแทนบุญคุณที่เขาได้ทำมาให้กับเราทำอย่างนี้แล้วจิตใจของเราจะสูงขึ้นจะมีศีล ข, ขึ้นมา และเมื่อมีศีลแล้วก็จะมีความสงบน่่มเย็นมากกว่าคนที่ไม่มีศีลคนที่ไม่มีศีลนี้จิตใจจะว่าวุ่นขุนบัวกังวลกวายกระสับกระสายกังวลหวาดกลัวกับเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลาแต่คนที่ไม่ได้ทำอะไรผิดก็จะไม่มีความรู้สึกเหล่านี้จิตใจก็จะมีความสุดและก็อยากจะทำให้จิตใจมีความสงบมากขึ้น เวลาไปฝึกทำสมาธิก็จะง่ายกว่าคนที่ไม่มีศีลเพราะว่าทานนั้นหรือการให้หรือการเสียสละการช่วยเหลือผู้อื่นนี้เป็นการสนับสนุนให้การรักษาศีลนี้ง่ายแศีลนี้ก็เป็นการสนับสนุนให้การทำจิตใจให้สงบทำสมาธินี้ง่ายกว่า การที่ไม่มีศีลไม่มีทาง น, นี่คือขั้นตอนของการพัฒนาชีวิตจิตใจของพวกเราพวกเราทุกคนมีความปรารถนาที่จะมีความสุขมากขึ้นมีความถูกมีความทุกข์น้อยลงและนี่คือวิธีเดียวเท่านั้นที่เป็นวิธีที่ถูกต้องวิธีอื่นไม่ใช่เป็นวิธีเช่นการทำมาหากินหาเงิ น, ห า, งนหาทองมากๆหรือการ การรับราชการเพื่อให้ได้ตำแหน่งสูงๆเหล่านี้ไม่ได้เป็นการพัฒนาจิตใจไม่ได้การเพิ่มความสุขให้มีมากขึ้นในใจแต่กลับจะสร้างความทุกข์ให้มีมากขึ้นสร้างความหิวความอยากให้มีมากขึ้นเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นอาหารของใจเป็นเหมือนยาพิษของใจ กินเข้าไปแล้วจะมีอาการสแสลงอยู่ในใจได้ตาแหน่งสูงๆแล้วแต่กลับต้องมีความกังวลกวายเพราะกลัวจะสูญเสียตาแหน่งไปได้เงินทองมามากแล้วก็มีความหวาดกังวลว่าจะต้องสูญเสียเงินไปไถ้าไม่มีเงินทองจะไม่อยู่จะอยู่ไม่ได้จะไม่มีความสุขแต่คนที่ทำบุญให้ทานให้อยู่เรื่อย ถึงแม้จะไม่มีเงินมีทองมากก็จะไม่เดือดร้อนเพราะไม่ได้อาศัยเงินทองเป็นเครื่องให้ความสุขนั่นเองอาศัยการให้ทานการช่วยเหลือผู้อื่นอาศัยการรักษาสิ่งอาศัยการทำจิตใจให้สงบด้วยการนั่งสมาธิเป็นเครื่องมือให้อาหารแก่จิตใจนี่แหละเป็นวิธีการให้ความสุขแก่จิตใจ อย่างแท้จริงอย่างถูกต้องดังนั้นขอให้พวกเราอย่าหลงกับการแสวงหาความสุขทางโลกคือทางเงินทองทางตำแหน่งหรือทางกามารมณ์ต่างๆเช่นทางตาหูจมูกลิ้นกายทางรูปเสียงกลิ่นรสผลท พ, พะทิปที่เรากำลังแสวงหากันอยู่ที่เรากำลังเสพกันอยู่ เราเสพกันมาตั้งแต่วันเกิดจนถึงวันนี้แล้วเราไปถึงไหนกันเราถึงเมืองอิ่มเมืองพอเมืองสุขเมืองที่ไม่มีความทุกข์แล้วหรื อ, อยังหรื อ, อยังมีแต่ความทุกข์มีความวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาถ้าเป็นเช่นนั้นก็แสดงว่าเราหลงทางแล้วเราไม่ได้ไปถูกทางเราควรเปิดแผนที่ดูว่า ทางที่จะไปสู่ความสุขที่แท้จริงนั้นไปอย่างไรแผนที่ของชีวิตนี้ก็มีอยู่ในพระพุทธศาสนาท่านนั้นเองอยู่ในรูปแบบของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าขอให้เปิดดูให้อ่านดูให้ฟังดูแล้วเราจะรู้ว่าวิถีทางแห่งการดำเนินชีวิตเพื่อความสุขอย่างแท้จริงนั้นต้องอยู่ที่การทำบุญให้ทานอยู่ที่การเสียสละ อยู่ที่การช่วยเหลือผู้อื่นอยู่ที่ความกตัญญูกะตะเวทีอยู่ที่การรักษาศีลอยู่ที่การทำจิตใจให้สงบด้วยการนั่งสมาธิด้วยการเจริญปัญญาเพื่อตัดกิเลสที่เกิดจากความหลงต่างๆให้หายหมดไปจากจิตจากใจเท่านั้นนี่แหละเป็นวิธีที่พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกทั้งหลายได้ ทำกันมาแล้วได้พบแล้วความสุขอันประเสริฐความเจริญที่สูงสุด ข, ของชีวิตจิตใจคือได้จิตที่สะอาดบริสุทธิ์ปราศจากความโลภความโกรธความหลงปราศจากบาปกรรมทั้งหลายได้จิตที่มีเต็มเปลี่ยนไปด้วยความสุขที่เรียกว่าปรมังสุขขังเป็นสุขที่ไม่มีวันเสื่อมคลายเป็นความสุขที่ไม่มีวันหมดสิ้นไป เป็นความสุขที่ไม่มีความทุกข์เจือปอนอยู่เหมือนกับความสุขของพวกเราที่สุขเดียวเดียวแล้วก็กลายเป็นความทุกข์ตามมาดังนั้นขอให้ท่านทั้งหลายจงน้อมนำนึกถึงพระคุณของบิดามารดาเพราะเป็นก้าวแรกของการพัฒนาชีวิตจิตใจของพวกเราเป็นก้าวแรกต่อการสร้างความสุขที่แท้จริงให้แกพวกเรา เมื่อเราได้ลำ เ, เลื้อถึงพระคุณแล้วเราก็จะมีความกตัญญูกะตะเวทีเราก็จะตั้งมั่นอยู่ในการทำความดีเราจะมีเราจะทำบุญรักษาศีลเราจะปฏิบัติธรรมจึงขอฝากเรื่องของความกตัญญูกะตะเวทีในวันแม่แหชาตินี้ให้ท่านได้นำไปพิิจพิจารณาและปฏิบัติ ตามสมควรแก่กำลังแห่งสติปัญญาศรัทธาความเพียรของท่านทั้งหลายทุกคนเธิ